ขอความสุขความเจริญทังี่แด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในอุทานสืบอต่อกันมาโดยลำดับโดยจะพบว่าพระสูตรในอุทานเนี่ยเป็นพระพุทธธรรมรัตที่ทรงเปล่งขึ้นโดยโสมนัสยานคือไม่ได้มุ่งเทศ สอนใครโดยเฉพาะจะเป็นการแสดงถึงสภาวธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของธรรมะเ่านั้นเพราะเรื่องที่สรงปริงขึ้นมาก็คงอยู่ในกรอบของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการเพียงแต่ว่าจุดเน้นจะอยู่ในส่วนใดเท่านั้นเองกระสุนที่จะกล่าวต่อไปนั้นชื่ออุปัชฌันติสูตร ประสูที่ว่าเมื่อเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นตำนองอุปมาอุปไมยเจียบเคียงการวัดบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจา้าว่าเหมือนกับการอุทัยขึ้นของพระอาทิตย์ทำให้แสงเล็กๆน้อยๆทั้งหลายมันหายไปก็มีใจความโดยสรุปว่า คราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ไปเชตะวันท่านปรานุนเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งอยู่ณที่สุดทวนรังน้งเดือแล้วก็ได้กราบทูลความเห็นของท่านทำนองคล้ายๆกับรายงานว่าถ้าแต่พระองค์พูดเจริญ รัตฐ า, าคตอราหารันตสมาสมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพียงใดพวกอัยญาเดรจีย่อมเป็นผู้อันมาชนสั ก, การะเคารพนับถือบูชา <c oughs> ยำเกรงและได้ยิวรินทบาทเสนาสนะในขิลานาปัจยาเพศบริคารเพียงนั้นนี่ก็เป็นการสะท้อนภาพซึ่งเกิดขึ้นใน ตอนนั้นก็ที่จริงก็ยุคตนตนพุทธสมัยก็ที่จริงก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมันก็คล้ายๆกับในขณะที่ของแท้ยังไม่ปรากฏเนี่ยของเทียมก็เป็นที่ต้องการไปที่พอใจของบุคคลทั้งหลายแต่เราก็ต้องมองถึงกลุ่มเหล่านั้นอีกทีหนึ่งว่า กลุ่มที่หันมาเคารพนับถือพระพุทธศาสนานั้นเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นหมาชนทั้งหมดมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าตามธรรมชาติของสัตว์โลกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันก็เหมือนกับคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นควางพันิุพานได้ คนส่วนใหญ่ก็จะละเลาะฟังไปผลลับสักรารชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแก่พวกอัญญาเดรียทีทั้งหลายในยกที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมันก็เสื่อมลงไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ตำนองคล้ายๆกับร้านค้าที่ มีสินค้าราคาไม่แพงแล้วก็มีคุณภาพสูงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดูดเอาลูกค้าเก่าที่เคยซื้อของในร้านอื่นๆบริเวณ น, นั้นแหละมาซื้อของในอี ก, อกร้านขัน้นวันกดตรงนี้ที่จริงมันเป็นกฎธรรมชาติแล้วก็มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา แต่ก็ต้องไม่เข้าใจว่าคนทั้งหมดมานับถือพุทธนะครับเพราะถ้าเราดูตัวเลขของาศาสนกตั้งแต่ในแต่ไรมาในสังคมอารยันเองยังนึกว่าในสมัยพุทธกาลเองก็เถอะคนที่นับถือลัทธินอกาศาสนาเนี่ยน่าจะมากกว่าเพราะเป็นหนึ่งต่อหนะครับ 菩萨นาก็เป็นหนึ่งในคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายซึ่งมีอยู่เจ็ดคณาจารย์ด้วยกันคนคงที่คนได้ยังนับถือพวกปุรณาัสปะมัคคิริโคสารสัญชัยวิรัฐบุตรประกุธทักกัจยนะอาชิตเกยียรติศกรรมผลนิโครนัธบุตรมันก็มีอยู่ส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนว่าจานวนศาสนิ ก, ก็ต้องลดลงไป คืออย่าลืมว่าตั้งแต่พระพุทธศาสนาบัติขึ้นมาเราไม่ต้องพูดไปไกลถึงกรุงสาวัตถีเราเฉพาะแคว้นกาสีกับแคว้นอังคาหรือแคว้นมคตเนี่ยแล้วก็ตอนในเจ็ดเดือนแรกความเปลี่ยนแปลงในจึงตัวเลขมันก็เกิดละ ไวเซชนปัญญาชนเนี่ยหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นพวกนัก บ, บวชถึงสามลทัทธิได้กันลทัทธิเหล่านั้นก็เป็นพวกสิบินเป็นพวกภิกษุเป็นพวกปริภากษ์ภิกษุก็คือพวกกลุ่มพระปัญญวคี กลุ่มชัดินหรือกลุ่มฤาษีก็คือกลุ่มของท่านอรุปราคาตาปะและกลุ่มปริภาชกก็คือกลุ่มของพระสารีบุตรระมคลรานะในขณะเดียวกันก็มีพวกเศรษฐีที่มานับถือพระพุทธเจ้าพวกกลุ่มพระยศศักดิ์รวมแล้ที่ออกบวชมันก็มีห้าสิบห้าทั้งพระยศศักแล้วก็ครอบครัวของพระยศศัก ก็น่าจะมีคนบริวารใกล้เคียงอยู่ด้วยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จไปถึงบ้านเวลาคนมาเฝ้าก็คงไม่มาสามคนนะครับคนก็คงจะตื่นเต้นกันมากเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่คนอย่างย่าสาออกบวชแล้วคนที่ย่าสะนับถือก็ต้องไม่ใช่คนเล็กๆ บางคนก็ต้องตื่นเต้นต้องมากันเยอะอยงแต่ว่าท่านไม่ได้บันทึกเอาไว้แล้วก็ในการต่อมาก็มีพวกพัทธวัคีก็เรียกผู้เจริญก็ามาความมีฐานะเป็นอิสระชนเช่นเดียวกันก็ามาพบกับพระเจ้าระหว่างทางตอนพระเจ้าเสด็จไปที่อุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม วนี้ก็มาสอบถามว่าพระเจ้าเห็นผู้หญิงบ้างไหมเพราะว่าพวกเธอไปเที่ยวแค่ๆกับปิกนิกของคนปัจจุบันสหายแต่ละคนก็นำพัญญาไปแต่ว่าสาเหตคนหนึ่งยังไม่มีพัญญาก็ไปแจ้งไปจ้างนะผู้หญิงแพทยาไปวันนี้ก็สนุกสนานลงอาบน้ำเล่นน้ำกัน เอาเครื่องประดั บ, บวางไว้ข้างบนนี่ปษสยามก็ขโมยเครื่องประดับหนีไปแล้วก็วันนี้ขึ้นมาถึงไม่เห็นเครื่องประดับติดตามมาพบพระพุทธเจ้าคือทำไมเราลึกว่าภูคลิกลักษณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคงจะสง่างามแล้วก็ยิ่งใหญ่ เพราะกอิเซชนเล่านั้นก็คงไม่ใช่เด็กหนุ่ ม, ม น, นะครับว่ามีครอบครัวแล้วแต่น้อยอายุกว่า20ขึ้นนะ่ะมันก็ห่างกับพระพุทธเจ้าคงไม่มากแต่เขาเรียกด้วยความเคารพว่าพระมหาสมณะเห็นผู้หญิงบ้างไหมผู้เจ้ารับสั่งว่าเธอจะหาผู้หญิงดีกว่าหรือหาตนเองดีกว่า พออย่างนี้นก็ด้วยบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันสยบคนเหล่านั้นเอาไว้เพราะถ้าม่อย่างนั้นถามอย่างหนึ่งไปตอบอย่างหนึ่งเนี่ยปฏิกิริยาที่ย้อนกลับมาไม่น่าจะดีแต่ว่าดีล้วเกิน แ, แสดงพระเจ้าก็ทรงรู้เห็นด้วยพยาน แล้วก็สอนธรรมะจนท่านเหล่านั้นบรลุมรควลเป็นบรราคามีแล้วก็ส่งไปเผยแพร่ศาสนาจนพระเส ด, ด็จจนพระเจ้าสเสด็จไปที่ลัตทิวันแล้วก็พระเจ้าพิมิสารกับบริวารมาเฝ้าเนี่ยมันตั้งแสนสองนะครับท่านบอกว่า12นัขุดนัขุดหนึ่งก็เท่ากัน1แสนประมาณแสนสอง วันก่อนคุยกับพวกที่เขาสัาลัเภศออกไปก็เป็นภูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์คนหนึ่งศาสตราจารย์คนหนึ่งเข้าไปตั้งข้อสังเกตที่คนขงแลกเขาบอกว่าเอคนขนาดนี้พระเจ้าเทศจะได้ยินเลยคือเราลืมไปว่าพระพุทธเจ้านั้นมี พุทธานุภาพเป็นพุทธกาลกะบาลมีธรรมที่ทรงสร้างมาเัราะเวลาทรงแสดงธรรมเนี่ยคนจะมากหรือจะน้อยเนี่ยแต่ละคนรู้สึกพระเจ้าคุยกับเขาเพราะมีความรู้สึกอย่างนั้นเั้นประเด็นตรนั้นที่จิงก็ตัอดออกไปได้แต่ว่าที่เราเห็น อ, อย่างชัดเจนว่าคนระดับอิเซะชนระดับนาของสังคมตั้งแสนสอง อันมานะถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมาคงเป็นลูกศิษย์ลูกหาของขณาจารย์เจ้าระชีต่างๆนั่นแหละน่นาก็ต้องสูญเสียเพราะตอนที่ภาษารีบุตรประโมคขลานะเข้ามาบวชในสำนักพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักฐานก็บันทึกไว้นะว่าสัญชัยเสียใจจนกระอักเป็นโลชิตลูกศิษย์ออกจากอาสมไปรวดเดียวตั้งสอง คณาจารย์ระดับสัญชัยนี่ช็อกเลยท้้งก็ได้นอนท้าเหล่านี้ก็ต้องเจ็บใจต้องไม่พอใจเพราะยังเกิดการปลุกระดมขึ้นในกรุงรัชชุดคแต่ว่าเราไม่ค่อยนำมาพูดกันนะมันอยู่ในพระวินัยพิดกอยู่ในมาวะแข่งเทวิ น, นัยปุกระดมไปทำนองเท้าความว่า พระเจ้าเสด็จเข้ามาสู่กรุงรัชครูมัน ก, ก่อนเขาปลูกชดินออกบวชวานเนี่ยเขเอาผู้ปริภาสออกบวชสิพรุ่งนี้จะเอาใครออกบวชเป็นการปฏิบัติตัดสกุลของชาวบ้านเป็นการพราคลูกจากพ่อแม่เป็นการพรากสามีจากพันยาเป็นการพราคพ่อจากลูก ซึ่งแต่รับประโยคน์ในเท็จทั้งนั้นคื อ, อยังนึกว่าเออพวกนี้อ่อนข้อมูลจะคือพอดีจังหวะมันพอดีด้วยจันั้นว่าคนที่บวชในสำนักพระพุทธเจา้าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยแ น, นาเคตของกุราชคุร์นเนี่ยเป็นเป็นนักบวชเก่าเป็นพวกชน ด, ดินกับเป็นพวกปริภากพเพราะันพบ พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้พากลูกมาจากพ่อแม่คู่ไหนไม่ได้พากสามีมาจากปัญญาคนใดไม่ได้พากพ่อมาจากลูกคนใดเพราะคนเหล่านั้นเขาออกจากบ้านเดือนมาแล้วไม่มีครอบครัวอยู่แล้วไม่มีลูกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งส่งคนไปชี้แจงนะจะที่บายเกิดความเข้าใจ ในสุดม็อบครั้งแรกก็ไม่ไม่ประสบผลเพราะว่าข้อมูลที่นำมากล่าวอ้างเนี่ยไม่สมเหตุสมผลว่าเมื่อพระเจ้าได้เผยแผ่ไปจนถึงสาวัถีเนี่ยช่วงระยะเวลาตรงนี้ก็คงไม่ใช่ต้นๆ้นนะะคือดูแล้วก็คงไม่ใช่ต้นๆ้ ต, น ต, อตอนนั้นพระนนบวชแล้วแล้วก็แสดงว่าเป็นพุทธอุปถาคแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเหตุการณ์ก็ต้องผ่านไปร่วม2ี่สิปีหรือเกินยี่สิปีแล้วแต่ก็อย่างที่เคยบอกไวน้นะว่าในพระบาลีเราเอาปีชัดเจนไม่ได้ก็ท่านไม่บอกไว้ไม่บอกไว้เราก็ไม่รู้แต่ก็สรุปสรุปไปเห็นอย่างหนึ่งว่าการที่พุทธศาสนิกชนเพิ่มขึ้นก็คือการที่ศาสนกในศาสนาอื่นลดลง อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างคล้ๆกับข่าวคราวที่ว่าปรากฏว่าทางภาคใต้มีชาวไทยพทธทิ้งจินในรอบปีที่แล้วสองเจ็ดและสี่เจ็ดนี่ยไปจะเป็นจำนวนแสน เพราะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของอิสลามก็สูงขึ้นเปอร์เซ็นต์พุทธก็ลดลงมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะคนอเนิงเพิ่มกันหนึ่งก็ต้องลดกันหนึ่งลดกันหนึ่งก็ต้องเพิ่มทีนี้พระนรนก็มากราบทูลสะท้อนภาพให้เห็นถึงความเสื่อมความเจริญที่เกิดขึ้นความเสื่อมเนี่เกิดขึ้นแก่พวกอัน ญ, ญาเดที เสือมพวกเนี้ยเสื่อมสั ก, กระคารกนักถือบูชายำเกรงแล้วก็ไม่ได้พวกปัจเจสีปัจเจสีเป็นเรื่องที่น่ า, นาตังเกตนะท่านชกาก็มาจีวรมินทบบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจญาเพื่อบริคารเหมือนกันดูแล้วคล้ายๆกับว่าพวกนัก บ, บวชเหล่านั้นก็ใช้ปัจัยสีแบบเดียวกับเรา แต่ดูรายละเอียดแล้วก็ไม่เชิงนะฮะคือว่าเครื่องนึ่งขมเนี่ยของผู้นิพพนไม่มีก็อย่างอื่มันก็ไม่น่าจะเหมือนกันทั้งหมดบางอย่างมันก็น่าจ ะ, าจะคล้ายคลึงกันบางอย่างก็น่าจะต่างกันแต่ว่าการพูดถึงการอุบัติบางเกิดขึ้นของพระอาจารย์สมมาสัพพุทธเจ้านั้นไม่ได้เจาะจงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว หมายความมาในยุคที่พระพุทธศาสนาออบัตรขึ้นแโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในช่วงที่พระเจ้ายัางทรงมาส่วนอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าโปรง่งใดก็ตามคนจะมานับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นส่วนสัดส่วนจะเป็นยังไงเนี่ยคงจะไม่มีตัวเลขหรอกเพราะถ้าเรามองว่าแต่คนก็คือคนน่ะ อย่านับถือศาสนาจากความศรัทธามากกว่ปัญญาแล้วก็มีความกลัวอยู่และมีเงื่อนไขอย่างอื่นอยู่ด้วยนะฮะหรือเงื่อนไขต่างๆภายในครอบครัวภายในสังคมวัฒนธรรมวงศาขณายาตอะไ ร, ต, รต่างๆมันมันมีเยอะศา ส, สนาเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในชีวิตไม่ใช่เป็นทุกอย่างของชีวิต เพราะนคนส่วนใหญ่เขาก็นับถือาศาสนาตามครอบครัวเพราะเมื่อฐานเนี่ยมันเล็กเกิดฐานพุทธเบียดนี้ก็เล็กปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพุทธศาสนิพิปุนก็ไม่มากจนวันก่อนมีคนพูดว่ามีสามร้อยกว่าล้านแต่ยังรู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่ฝรั่งอ่ะฝรั่งเขาก็ชอบโมเม ตัวเลขเหล่านี้มันแม่แต่ในเมืองไทยเนี่ยคือถ้าเราดูตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติก็บอกว่าชาวพุทธเนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเก้าสสี่จุดก็ตัวจุดเนี่ยมันลดลงมาหนา่อยตัวเลขกันจกดอบจะลดลงมาหนา่อยยังอยู่ระดับเก้าสิบสี่ แต่ในขณนะเดียวกันตัวเลขอิสลามเนี่ยก็บอกตัวเลขมันต่างกันเยอะหกบ้างนะหกเปอร์เบ้างสิบหกเอร์ซ็นบ้างยี่สเปอร์ซ็นถึงยี่สิบ้าปอร์เซ็นี์ก็ไม่อย่านึกว่าเออคนมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวเลขอย่างเงี้ยมันก็พิสูจน์ยืนยันมันก็ได้เพราะว่ารัฐเองเนี่ยเขาจะสํารวจสมรรถประชากรเมื่อ ขอสอรหรือขอสอตกไนเลขสามแสดงว่าตัวเลขตรงนี้มันก็ทำมาเมื่อสี่สามาละเอียดพอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าฐานมันเลเน็กไยฐานมันเล็กก็แสดงว่าโตก็ไม่มากหรอกแต่ว่าโอกาสต่อไปนี่ไม่แน่เพราะว่าการที่คนไทยคุมกำเนิดกันเป็นล่ำเป็นสันนไย แดีวคนที่นับถือศาสนาอื่นเขาไม่คุมตรงนี้สัดส่วนประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปช้าๆถึงแม้ฐานจะใหญ่แต่เขาจะเปลี่ยนแปลงในเวลารวดเร็วแล้วเมื่อฐานเขาก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยศาสนิกอาจจะกำลัึ้นแต่ตอนนั้นเราก็ต้องลงตกนะฮะว่าเราก็คงตายไปแล้ว จะเป็นปัญหาที่คนรุ่นใหม่ก็ต้องเอามาคิดมากแก้ไขกันพระพุทธเจ้าก็ยอมรับความจริงแต่ว่าไม่ได้พูดถึงพระองค์นะพระพุทธเจ้าเองก็ไม่รับสั่งถึงพระองค์รับสั่งว่าลูกอนอนนจริงอย่างนั้นพระตถาคตอาจ า, ารย์สมมาสระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จขึ้นในโลกเพียงใด นะไอ้ลาบ ส, สกฤตที่เสียงต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแก่พวกอัญญาเรชีเพียงนั้นแต่พอพระอรหันตสมาธิจาปรากฏเนี่ยคนนี้ก็จะเสื่อมเป็นธรรมดาทีนี้ก็ส่งอุปมาให้ฟังเราจะต้องมองเหมือนกันนะว่าคนที่มานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนดีเรียกเป็นบินยูชนคือเขาจเหตุเขาจะผลแล้วเป็นคนที่ ยังไม่เข้าถึงเหตุผลหรื อ, อยังไม่ต้องการคือมันมันอยู่ที่ความชอบอ่ะคือถ้าเราถามชาพุทธเอาสักสักร้อยคนเนี่ยมาถามอ่ะว่าสมมติว่าเราจะเลือกอนิพานเลือกเกิดเลือกเอกิดเป็นพรมเลือกเกิดเป็นเทพบุตรเทปิดาได้เถามำไมจะเอาอะไร คือยังนึกว่าคนชอบเป็นเทพประวุฒิเทพิดามากกว่าที่ต้องการไปนิพพานจริงจริงีไม่เท่าไรหรอกพรหมนั้นคนไทยไม่เคยชัดเจนเรื่องเทวดาจะรับรู้กันแค่หลายมากกว่าอะไรเพราะว่าคนยังอยู่ด้วยการมัตนาะวัตนาภิภวตนาคนส่วนใหญ่ก็เลาะอลอกฟังอย่างที่ว่า ประเด็นที่สำคัญก็คือพระพุทธอุทานที่ทรงแสดงรับสั่งว่าหิ่งห้อยนั้นส่งแสงสว่างอยู่ชั่วเวลาที่ปราิตยังไม่ขึ้นเมื่อปราย์ขึ้นไปแล้วหิ่งห้อยนั้นก็อับแสงและไม่สว่างได้เลยพวกเิรชีสว่างเหมือนกับหิ่งห้อยนั้นแต่เท่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลก แต่เมื่อได้ไปสมาธสพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้นพวกอัญญาเดฤทธิแม้สาวกของพวกอัญาทีเหล่านั้นก็ย่อมไม่หมดจดนะพวกดทธิีมีทิฏฐิชั่ว ย, ย่อมไม่พ้นไปจากพวกเป็นการสะท้อนความจริงนนะเพราะว่าฤาษีส่วนใหญ่ในความคิดแร ง, แรง โย่ฉพอะอย่างยิ่งคือเอาอันใดกายการทิฏฐิสิบที่เคยพูดหลายวันมาแล้วนะฮะแต่วันนั้นมีทั้งสิบสี่แต่เอาขนาดสิบข้อเนี่ยก็แยกเพราะาภาพเหล่านี้เป็นภาพปกติธรรมดาแต่ว่าอยากคิดว่าจะดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไปหรือของดีมันคนต้องเห็นคุณค่าถ้าไม่เห็นคุณค่าคนก็ไม่สนใจ การอนุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ามันก็มีคนที่รู้สึกว่าเป็นลาภของตัวเองสัตว์บุรุษเนี่ยจะรู้สึกเป็นลาแต่คนพานรู้สึกว่าจะเป็นอันตรายนี่คือธรรมดาของโลกสมมติว่าสังคมเราประสบความสําเร็จในการเผยแพร่ธรรมสั่งสอนธรรมะคนศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกันแพร่หลายเนี่ย ผู้ที่หากินด้วยทุติจดิต่างๆพวกใบยมุกต่างๆเนี่ยก็จะต่อต้านฮะจะต่อต้านจะขัดขวางจนถึงกับอาจจะเป็นอันตรายไปได้นี่ก็เป็นปกติธรรมดาของโลกแั้ประเด็นที่ควรจะมองเป็นพิเศษก็คือที่ทรงใช้คำว่าทิฐิชั่วเป็นตัวการรำคัญนะฮะที่จะทำใครก็ได้ ก็ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นอนยญาเดถีหรอกถ้าเราเองมีทิฏฐิชั่วเราก็ไปเหมือนกันก็ในพระสูตรสองสูตรในสัตตะกานิบาตอังคตรนิกายพระญาทรงแสดงเรียกว่าอัพิยะสูตรที่หนึ่งที่สองคือสูตรที่ทำคนให้ไม่เป็นทิรักของคนอื่นหมายความมาสร้างปัญหาแก่ตัวเอง ก็ส่งจำแนกแสดงไว้ว่าคนที่ปฏิบัติตัวโดยเน้นปฏิพาะนะแต่ว่าโยมก็เหมือนกันนั่นแหละคืออย่าลืมว่าการที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะทำเพื่อผลประโยชน์ทรงใช้คำว่าลาบสักการะและชื่อเสียงเพือสรุปว่าเพื่อโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยฮะเพื่อลาบยอดสรุด ในตัวสุขไม่่อยแปลกแต่ลาบยศสรรเสริญเนี่ยเป็นเรื่องชีตแต่ละฝ่ายเขาต้องการทีนี้ถ้าใครทำเพื่อสามประการนี้หรือว่าที่สงสัยกันว่าลาบสักการะรอะไรชื่อเสียงเนี่ยจะดมาจิตใจจะไม่สงบเพราะว่าจิตมันจะมากไปได้วยความโลภ โลภท ร, ร, ร ม, มานังปริปันโทลความโลภเนี่ยเป็นอันต ร, รายแห่งธรรมทั้งหลายเป็นอันต ร, รายทุกเรื่องเมื่อก่อนนี้พระพวกเขาอนาภาพที่เซตเวต้นที่สหรัฐอเมริกาก็ามาตั้งศพที่วัดอังกุตก็ขอให้ช่วยกล่าวธรรมกถฐานาศ ก็เห็นว่าพระนั่งเต็มนะเราก็นึกถึงว่าเราน่าจะทบ ท, บ ท, บทบวนเพราะว่าผู้ตายเนี่ยผู้มรณภาพเนี่ยพระเจ้าคุณราชสิทธิโมรีเนี่ยเขามีคำขวัญเขียนไว้ว่าเกียรติยศชื่อเสียงมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากเงินซา แต่เกิดขึ้นในศรัทธาและปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้นภายในใ จ, ใจิตใจแลยก็มาลบว่าคือเรื่องที่เราหน้าทุกทุนคือข้อแรกก็คือว่าสมโนอัตสุสมโนอัสสัสมโนผู้เป็นสมณะพึงเป็นสมณะที่ดี ทำยังไงจะเป็นผู้สงบที่ดีเพราะเราเห็นว่าโดยเนื้อหาก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะนักบวชหรอกญาติโยมเองก็ต้องสงบระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสงบจากการกล่าวรายการทำลายที่ทรงประทานไว้ในโอวาตปาิโมกในอนุปวาโดนุปคาโตนี่เรื่องใหญ่นะ ถ้ามีไงคนยังไม่กล่าวร้ายจะไม่ทำลายให้สงบจากการทำการพูดในลักษณะนั้นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นคือยังนึกเมื่อตอนอะไร่ะตอนต้นเดือนเนี่ย น, นะที่ท่านนายกพูดถึงโซนสามสี ส, บบสีแดงสีเหลืองสีสีเขียว โอ้แม่มาวิพากษ์วิจารกันจังเลยคนชี้ผิดที่ถูกอะอยังเนื้อขำ่ามันไม่ได้ทําทั้งสองอย่างนั่นแหละคือที่คุณว่าเขาก็ยังไม่ได้ทําที่ท่านนายกว่าก็ยังไม่ได้ทําแล้วเพีงยงแนวแนวความคิดแล้วคุณรู้ได้ยังไงมันผิดแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าที่ที่คุณพูดนี่คือถูกเพราะจริงๆเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราไปได้ทางเดียวนะะ ทางหนึ่งเราไม่ได้พิสูจน์เราบอกว่วงหน้าไม่ได้ว่าผิดหรือถูกไม่งั้นเราก็เก่งเกินคนแล้วเมื่อเราบอกว่าจะจัดแบ่งเป็นโซนแล้วก็มีวิธีปฏิบัติเหมาะสมแก่โซนเาน่ากาแสดงว่าวิธีที่คุณเสนอไม่ได้ใช้มันก็พิสูจน์ไม่ได้อของคุณดีกว่าแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ดีเพราะยังไม่ได้ทา แล้วกว่าจะพิสูจน์อะไรได้ผมก็ต้องพิสูจน์กันนะและการแบ่งแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรฮะคือสมัยคอมนี้เขาก็แบ่งเขากขาก็เป็นเป็นสัญญาณที่รู้กันว่าอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้สันนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ตรงนี้ทําไมถึงมันเกิดปัญหาคือเราจะเห็นว่าพอไปดูแล้ว ม, มันมีข้ออื่นนะฮะอย่าอย่าลืมว่า ทรงแสดงว่าไม่มีฮิริไม่มีโอตปะปรารถนาลาบสักการะชื่อเสียงสามอย่างฮะแล้วก็ใจในีไม่มีฮิริไม่มีโอตปะแล้วก็มีความปรารถนาลาบเป็นเจตนาที่แฝงเร้นหมายความถ้าพูดถึงคนอื่นแล้วเลวหมดไม่ดีหมดไม่มีถูกอ่ะคนอื่นเขาไม่เคยถูก ตัวเองนั่นเองที่ถูกมันก็ไม่ยุติดไม่เหตุผลคือชี้ผิดชี้ถูกในเรื่องที่ไม่ได้ทํเนี่ยมันชี้ไม่ได้มันเป็นเพียงเทฤษฎีที่ร อ, อการพิสูจน์หลักการวิธีการนะมันต้องผ่านการปฏิบัติการแล้วก็ไม่ใช่วันรงวันแล้วก็ว่าผิด คนนั้งคิดอย่างนี้ว่าชาวบ้านคิดอย่างนั้นไปรู้ได้ยังไงเกิดแสดงว่าคุณรู้ ม, มีปัญหาเยอะเมื่อได้ความปรารถนาลามกเนี่ยมันเป็นเรื่องก็เรียกว่าเจตนาชั่วร้ายถึงแฝงอยู่ในใจคนมันเป็นที่ได้เห็นแก่ตัวความปรารถนาลามกเนี่ยภาษาท่านแปลอย่างนั้นนะฮะปาบิชโฉท่านแปลว่าปรารถนาลามกแล้ก็รู้สึกสมน้าสมเนื้อของการแปลมันเกิดเป็นภาพ มันเกิดเป็นเป็นภาพขึ้นมาคือสกปรกแล้วก็มีความเห็นผิดเหล่านี้เป็นเหตุให้จิตมันสมองทีนี้พอมาถึงความเห็นผิดตรงนี้พระเจ้าใช้กลมาเห็นผิดคําเดียวแต่เราอย่าลืมมาทั้งหมดเนี่ยที่จริงมาจากความเห็นผิดการทําอะไรได้มุ่งลาบมุ่งสักราระมุ่งชื่อเสียง ก็คิดทีหลังคือถ้าเราจะมุ่งไปที่ผลประโยชน์อย่างนั้นเช่นถ้าเป็นพระมันก็ไม่นบนบวรอ่ะคือจะเอาอะไรไปทำอะไรอ่ะคือมันมันท่าได้มาเนี่ยอย่างที่เคยเล่าอยองฟังว่ า, ามามีมีโครงการตอนนี้ก็บนเอกเสรียลูกน้องออก แต่แปลนแผนผังให้แล้วนะฮะจะสร้างศูนย์ส่งเสริ ม, มพระพุทธศาสนา mm hmm. เพื่องานพระศาสนาอย่างนี้ไม่ได้แปลก mm hmm. คือเราชวนกันทาดีแต่นั่นเอง mm hmm. เราก็ไม่ได้เราก็จะตายแล้ว mm hmm. แต่ว่ามันเป็นการสร้างไว้เป็นสมบัติของพระศาสนาสร้างงานขึ้นที่เริ่มขึ้นนะฮะคนอื่นต้องมาต่อเราก็ตายตคนอื่นเข้ามาต่อ ผลประโยช์ในที่นี้หมายถึงผลประโยชน์เพื่อตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามุ่งผลประโยชน์เดี๋ยมันคิดจิตอ่ะคือเราแก่ลงทุกวัน่ะเรากลาตายลงทุกวันคือว่าแก่เนี่ยคือกลายตายด้วยนะล้วจะเอาไปไหนถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้นะจับประเด็นตรงนี้ได้ว่าเราแก่เนี่ยคือเรากลายตาย ก็ตายแสดงว่าเรามีเราก็ต้องทิ้งไปเราได้เราต้องทิ้งไปเราเป็นเราก็ต้องทิ้งไปเพราะในการได้มีเป็นเนี่ยไม่ใช่เนื้อหาสาระถ้าได้ก็คือได้ทำดีผลจากการทำดีนั้นเกิดติดโลกแล้วก็ตัวความดีนั้นติดจิตเราทีนี้พอความเหตุมันผิดมันก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มปฏิเสธที่เหตุ โดยเห็นว่าแนวความเห็นผิดทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธผู้แงวปฏิเสธกรรมไปเสดสังสารวัตรแล้วก็ปฏิเสธพระพุทธเจ้าแนวกิริยทิจิคือถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำก็แสดงว่าไปเสดกรรมทำดีก็ไม่เป็นการกระทำดีทำชั่วก็ไม่เป็นการกระทำชั่ว แสดงว่าความดีความชั่วไม่มีตัวกรรมก็ไม่มีตัวความดีความชั่วไม่มีแล้วพวกนี้บางทีคิดตะเลเดินนะแม้แต่ผู้ทําเองก็ไม่มีแน่นอนในแง่ปรมาจารยสัจจะนั้นก็ใช่แต่ว่าสมมติสัจจะนี่เราต้องยอมรับหรือมันเกิดสงครามมหาปรมาจุทธเนี่ยก็เรื่องอย่างเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม้แต่ การฆ่าก็ไม่มีผู้ฆ่าก็ไม่มีผู้ถูกฆ่าก็ไม่มีเป็นวัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุเอ็นไม่มีชาติทิฏฐิพวกนี้แรงมันจากความเห็นที่เขาผิดเนะี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปว่าเขาแต่ว่าทรงชี้ตัวปัญหาคือตัวความเห็นผิดคือตราบใดที่ยังไม่ละทิฏฐิเหล่านั้นมันไม่สามารถจะพ้นจากทุกได้ เพราะอะไรเพราะว่าการพ้นจากทุกเนี่ยมันต้องทําลายเหตุแห่งทุกได้เดยกก็ต้องสร้างเหตุแห่งสุดได้ทีนี้เมื่ออัญญเดถีเขาไปเศษไปเศษเพราะเขาไปเห็นว่าบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีการกระทําชั่วทําดีไม่มีหรือผลน้าหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุ แล้วก็ไปเศษทั้งสิบทั้งชุดสิบเนี่ยชุดสิบไาเจอบ่อยนะฮะการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสติตายแล้วเกิดไม่มีโดยการทำดีทำชั่วไม่มีผลเพราะนั้นไปเสด็จกรรมฤๅษีข้อ ไปเศษสังสารวัตรอยู่ห้าข้อรวมแล้วเป็น9ข้อแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งคือไปเศษพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับว่ามีท่านที่รู้ดีรู้ชอบตัวตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นๆรู้ตามในมีอยู่ในโลกเมื่อไปเศษความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าก็ไปทำกสุไปเศษประสงฆ์กสุไปเศษศาสนาก็ถูกไปเศษ และในสุดมันก็ไม่มีทางที่จะเดินไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะนั้นทรงแสดงว่าเพราะมีทิฏฐิชั่วหรือทิฏฐิผิดทิฏฐิไม่ดีย่างเงมันหยุดตัวเองไว้น ะ, ระเราเห็นว่าที่ทรงใช้คำบังทีวะวัฏฏะขานุคือหลักตอของวัฏฏะเพราะว่าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ เช่นสมมติว่าเราไปมีความคิดว่าการเรียนหนังสือไม่ได้ประโยชน์อะไรเรียนตรงไหหมดไม่มีใครเรียนนะเพราะว่าไม่มันได้ประโยชน์อะไรหรือไปเศษบาบุญไม่มีอย่างพวกที่ทำความชั่อทั้งหลายเนี่ยลองเรียกแกมาคุยลองดูนะแกไม่เชื่อเรื่องบาปกันนะ ที่พูดตังไงหนุ่ม11คนไปนคมคืนนักศึกษาหนึ่งคนแล้วค่าก็ตายเนี่ยแม่มันหะหรือโคดมากเลยคือจริงๆน่าจะเอามานั่งคุยกันดูแล้วก็สอนให้แกคิดให้ได้คิดให้ฉุดคิดให้เฉลียวคิดวันนี้จะต้องเสริมสร้างให้จิตให้ให้แกคิดเองเราคงไปอธิบายก็ยากนะฮะหรือต้องสอนให้คิด เห็นว่าพูดได้รู้พูดได้ฟังพูดได้คิดเราไม่สามารถจะพูดได้ก็ทำได้ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตัวของพวกอัญญาเดรจีเนี่ยเราเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นไปตามกรรมนทําการกระทําก็เขาเอง อย่างเนี่ยอย่างอย่างอย่างอย่างท่านสันชัยที่ภาษาอิบุตร์มโมกาลานะกับบริวารทิ้งมาเนี่ยมันเพราะความเห็นของท่านเองที่ท่านเห็นผิดว่าถ้าท่านเห็นว่าเออนานๆโลกจะมีโรฮุทไเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราเกิดมาในยุคที่มีโรฮุตไเจ้าเนี่ยเราก็ไปไปกระลุกศิษย์เอาคิดว่าไปกระลุกศิษย์หรืออย่างน้อยนีย่มาพบกันหน่อยเป็อย่างดี แต่ก็ไปเสษไปตล้วโดยมองไปที่มองไปที่ว่าตัวเองอย่างอาศัยคนโง่เนี่ยครองเพศเป็นปริภานธ์โชายได้โดยไม่รูกว่าเ่าไปเราตายและเราก็จะเป็นไปกรรมๆตอนกระแสความความเห็นผิดเนี่ยประเจ็นว่า ที่ศาสนาเน้นเอามาเน้นมากนี่คือเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัตรอย่างแนวที่เขเรียกว่าสัจจ ะ, สะทิฏฐิกับอุเทนทิฏฐิอันนี้เรื่องสังสารวัตรที่มันนําไปสู่กระแสะของตัณหาทั้งหลายเนี่ยมันจะโยงกันไปหมดอ่ะเราจะเห็นว่าอย่างการ ม, มาตัณหาเพราะว่าตัณหาเนี่ย มันมาจากสัตตะทิติคือเห็นว่าของทางหลายเทียงแท้ยังยืนไม่แปรผันและตัวเองคล้ายๆกันจะอยู่สวยสุขสมบัติเหล่านั้นอยู่ชั่วนิรันดร์ลคล้ายๆตัวเองอยู่คําฟ้านะฮั้นคนบางทีเนี่ยนึกว่าเออโอกาสตรงนี้น่าจะทําบุญมาอาจจะทําความดีไปบ้างยังเกอบโก ย, ยังตักตวงยังหวงยังควงยังเดือดร้อนบุ่ญวายกับ ท, ทรัพย์สมบัติ นั่นก็แสดงให้เห็นว่าอาการของสัจจะทิฏฐิแล้วการไปเสดบุญบาตทั้งหลายในรลกสวรรค์ทั้งหลายเลยมันเกิดมาจากอุเทียร์ทิฏฐิถือว่าสิ่งทั้งหลายก็ขาดศูนย์ถ้าถือว่าเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องสร้างเหตุเพราะยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แถือว่าขาดศูนย์มันก็ไม่จําเป็นจะต้องสร้างเหตุเพราะว่าสร้างแล้วไม่ได้อะไร ใหตุการณ์ละ บ, บาปการทําบุญสมบัคนที่เห็นอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าทำไมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเขาเห็นอย่างนั้นไปนบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนเราชีวิตก็จบลงที่ตายเพราะมีในแนวนี้จึงกลายเป็นอาจจะเรียกว่าทิฏฐิชั่วก็ได้ทิฏฐิลามกก็ได้ก็แล้วแต่จะใช้คำนะฮะในการจะแปลแต่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ เป็นความเห็นผิดตราบใดที่เขายังไม่ละความเห็นเหล่านี้มันไมมีโอกาสที่จะพ้นจากทุกข์พพ้นจากทุกนั้นจะต้องเกิดขึ้นมาจากการดำเนินไปตามหลักของอไรมิมัตแต่นี้ไม่ยอมใบหน้าเข้าไปหาเลยไม่ยอมใส่ใจสนใจที่จะดำเนินไปชีวิตไปตามหลักของอริมัติแลย วันโอกาสที่จะพน้นจากทุกข์ก็มีไม่ได้ต้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาพิทารนีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรู์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี